มันยังอยู่อีกไกลคนเวลาที่มีสุขภาพดีหรือว่าชีวิตเนี่ยราบรื่นก็มักจะไม่ค่อยกอระตือรือร้นที่จะป้องกันเหตุร้ายเท่าไหร่พราคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับฉันทั้งที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใครต่อใครมากมายแต่เราก็มักจะมีเหตุผลเพื่อที่จะอ้างว่า มันไม่เกิดขึ้นกับชั้นหรอกอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะก็ดีนข่าวคราวนะรถมอเตอร์ไซค์ประสอบ อ, อุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุทีไรนะหัวก็น็อกกับพื้นถ้าไม่ตายก็เป็นอัมพาตเขาจึงมีการรณรงค์นนะให้ป้องกันนะด้วยการ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 พวกนี่พอประสบอุบัติเหตุเข้าแล้วเนี่ยไปถามเขาหน้ว่าไม่รู้หรือว่านะขับรถเมาเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันอนาะทําให้เกิดอุบัติเหตุเอามาเพิกเอามาพาดได้ส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้นะอาแล้วทําไมยังทําำทําไมไม่สวมหมวกกันน็อกทําไมยงกินเหล้า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 มันทําให้เกิดความเหนื่อยยากขึ้นค น, นี้สิ่งที่จะทําให้คนเราเกิดความกระตือรือร้อนในการที่จะป้องกันนะก็คือการนะมองไปข้างหน้าว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยความสูญเสียอุบัติเหตุหรือว่าแม้กระทั่งความตาย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 คนที่มีสติปัญญาก็รู้แล้วว่าที่พระเจ้าพูดว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมจาเนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะไม่ต้องแจกแจงมากก็รู้แล้วนะหมายถึงความเจ็บความป่วยความพัดพราบและความตายพอรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดความกระตือรือร้อนนะที่จะอ่าหาทางป้องกันคนเราถ้าไม่ไม่นึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างนะก็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 ทีมชั้นนำเนี่ยระดับโลกนี่แต่และครั้งแต่และครั้งนี่เขาเขาเตรียมตัวมาอย่างดีวางแผนกันมานะล่วงหน้ากันหลายวันซ้อมกันวันละหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีทีมไหนที่ไม่รู้จักแพ้นะนก็ต้องมีวันแพ้นะเขาจึงเรียกว่าอันนี้คือเกมกีฬานะเกมกีฬาธรรมชาติมันก็คือมีชนะแล้วก็มีแพ้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 ทุ่มทุนไปกับเรื่องอาหารเสริมอาหารสุขภาพมากมายเป็นแสนเพราะคิดว่าจะไม่เป็นมะเร็งพอพูดว่าตัวเเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนก็ทำใจไม่ได้บนตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นบางคนโกรธแค้นนะโกรธแค้นคนที่แนะนำอาหารเหล่านั้นนะไหนบอกว่ากินแล้ว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 พอหงุดหงิดขุนเครืองใจนะก็ระบายอารมณ์ใส่คนรอบข้างลูกคนรักแฟนสามีภรรยาหรือพ่อแม่เพื่อรวงงานความสัมพันธ์ก็เสียอีกนะหรือว่าเล่าฉานมันเสียกับเป็นเ ร, น, ร น, นินระนาดเลยนะแทนที่จะเสียแต่ของนะก็เสียไปอีกสี่อย่างเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมบันธภาพ อันนี้พเพราะอะไรเพราะว่าการที่ใจไม่ยอมรับไม่ไม่ปฏิเสธไม่ใจปฏิเสธผักใสเพราะนั่นอย่างไรที่ควรทาคือทําใจยอมรับเพราะว่าถ้าไม่ทําใจยอมรับมันก็จะทําให้ส า, หาการย่ําแย่ลงมันทําให้ทําให้ทุกใจตามมาทําใจยอมรับก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธป crypt, ่วยป่วยการที่จะผลักใส่มันนะ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 เหตุรายที่อาจเกิดขึ้นในตลอดเวลาแม้ว่าขณะนี้ยังมีความสุขความเจริญความพังพร้อมความสะดวกราบรื่นก็ตามที่พอทำกิจแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องพร้อมทำจิตไปด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำกิจแค่ไหนดีเพียงใดมันก็โอกาสผิ ด, ผดพลาดก็เกิดขึ้นได้บางอย่างมันก็ป้องกันได้เกือบร้เตนะ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 เป็นการทำใจขั้นพื้นฐานนะในเมื่อเราเจอเหตุร้ายขึ้นมาสิ่งที่ตรงข้ามกับการยอมรับความจรงิงนะก็คือการปฏิเสธผักใสบนตีโพยตีพายวอยวายโอดครวนนะเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดอารมณ์ข้ามสื่อแบบนี้ขึ้นแสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความจรงิงนะเรายังปฏิเสธความจรงิงซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นจากความยึดติดถือมัน่น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 เช่นเตือนใจเราว่าเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคิดเผื่อเอาไว้อย่างที่เราสวดอภินาถปัจเวกนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพิ่นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพิ่นความตายไปไม่ได้เราจะพลาดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นสวดทุกวันทุกวัน พิจารณาอยู่เสมอเป็นเครื่องเตือนใจมันก็ช่วยทําให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่ายึดมั่นถือมันน้อยลงอันนี้พอมันเกิดขึ้นก็จะทําใจได้นะเพราะคิดเอาไว้แล้วเตือนใจไว้แล้วนะเรื่องการทํากิจกับทาจิตนี่มันต้องทําควบคู่กันไปนะทํากิจก็ป้องกันหาทางป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆแล้วก็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 การยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะเช่นเราเจ็บป่วยเราก็ยอมรับ ว, ว่าเราเจ็บป่วยนะไม่ไม่มาเสียดองเสด็จไดว่าก่อนหน้า น, นี้เราเคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่ตอนนี้เราเจ็บป่วยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไปนาํามาพฤ่ษนะ์อัมพาตยอมรับแล้วคราวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะทำอะไรไม่ได้มันก็ยังทำอะไรได้นงะโรคบงางอย่างมันรักษาหายได้ถึงรักษาไม่หายก็สามารถที่จะเยียวยาบรรเทาได้คนเป็นอามพาตกับมาพ่ า, พายเขาก็ยังสามารถที่จะฝึกหัดตัวเองจนสามารถที่จะที่จะเดินเหินได้เหมือนเดิมแ <c oughs> ม้แต่คนตาบอดนั้นไม่มีทางที่จะรักษาหายด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่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 โดยเพราะเวลาเราภาวนาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะมีอะไรต่ออะไรมากมายเกิดขึ้นในใจโดยเพราะความฟุ้งซ่านความว้าวุ่นหลายคนก็จะมาบน่นกล่าวตมาว่าทำยังไงดีนะเพิ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าทำได้แค่5้านาทีนั่นแหละมันก็ว้าวุ่นแล้วหลายคนจะรู้สึกท้อปัญหาเขาคือเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมรับ ให้ความว่าวุ่นนะว่ามันเป็นธรรมดาของใจเขาพยายามปฏิเสธพยายามที่จะกดขม่มพยายามที่จะบังคับมันก็บอกขอเขาเ้านะทุกครั้งว่าอัตมาก็เป็นนะใครๆทำคนที่ภาวนาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นกับโยมคนเดียวพอเขาได้ยิงเขาก็มีกำลังใจนะเพราะเขาเริ่มเห็นได้ว่ามันเป็นธรรมดาเริ่มยอมรับได้ว่าเออใช้สิ่งที่เกิดขึ้นมัน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 เพราะยอมรับมันได้คำนี้พูดกันเท่านี้นะ